พัฒนาจนกรทังกลายเป็นเสมือนอภิมนุษย์แต่ที่จริงไม่ใช่ mm. เพราะว่าอภิมนุษย์มีอำนาจเหนือนมนุษย์แต่พระเจ้าไม่ได้มีอำนาจเหนือนความเกิดแก่ตดตายเ mm. มื่อข่าวพระอนุนโนมจีวรใหม่ของผืนเ้าดาถวาย mm. แล้วก็ได้เหลือเห็นพระชวีวันของท่านมบนมอง mm. ก็เอกใจและลำพึงปเปลยขึ้นถามท่านว่า mm. เพราะอะไรหนอ พระชุวีวันของพระธาคตจึงมนหมองท่านก็เตือนด้วยความรู้ว่าเราไม่เคยบอกเธอเลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังแต่ท่านก็อ้างว่าพระชุวีวันท่านผุดผ่องขึ้นในการสามครั้งเท่านั้นผมจําไม่แม่น น, นะเหมือนการก่อนับรู้รงมือยุตั้งขาและบริณุพัณฑถ้าไม่ผิดพลาดก็คงตามนี้นะครแต่หลายครั้งที่มีคนเข้าไปติดต่อของท่านเข้าไปหาถามเพื่อให้คะแนนเพิ่มเติมในความเป็นอภิมนุษย์ของท่าน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 ความคนี้ก็เลื่อมใสพระเจ้ามากก็ทูลถามว่าพระองค์เป็นสัพพัญยูหรือเปล่าหรือที่เราเรียกสันเพชรนะครับสัพเบียงคิวบสีสันเพช ร, พชรคิวบสีสัพพัญยูองค์ท่านปฏิเสธนะท่านบอ ก, ท, บอกท่านไม่ได้เป็นสัพพัญยูตลอดเวลาถามก็ยังไม่เข้าใจยังถามว่าก็แล้วทําไมเมื่อทูลถามปัญหาทรงตอบได้ทันทีโดยลาก็รู้อยู่ล่วงหน้าแล้วคำตอบท่านบอกท่านต้องโน้มใจไปสู่ปัญหาแต่ด้วยอานาจความหลุดพ้น ความบริสุทธิ์ของภูมิปัญญาของท่านความแห่นโลดของปัญญาที่ว่องไวนั้นต้องโน้มใจกันไปสู่ปัญหาแล้วคําตอบก็แตกออกตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเราก็เอาพี่นิหารนะนะนอี่สิ่งสำคัญ น, นะที่ต้องกระจายว่ารากฐานคนธรรมดานี่เองเหมือนเม็ดพืชธรรมดานี่เองที่จะงอกเป็นต้นโพละต้นสายไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์ดังนั้นจุดเริ่มต้นการภาวนาคือภาวะปกติครับ คนธรรมดาสา ม, มัญเมื่อเวลาบวชกุลบุตรเข้าบวชเขาจะถามถึงภาวะปกตินี้ก่อนเช่นคำมนุษย์โศกศี่เธอเป็นเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเทวดาหรือสัตว์นรกแอบมาจะขอบวชเขาไม่ให้บวชนะเพราะด้วยสา ม, มัญสำนึกเยี่ยงคนธรรมดารู้ผิดรู้ชอบแล้วซักถึงสัญญาประชาคมลาพ่อลาแม่แล้ว ย, ยังมีหนี้สิห ร, อรือเปล่าเป็นการหนีอะไรมาหรือเปล่าสัก ซึ่งต้องตอบด้วยตัวเองด้วยสติสมปรดีตามธรรมดามอบอำนาจให้ไปบวชแทนไม่ได้ครับคือมอบให้คนอื่นมึงไปบวชแทนกูแล้วต่อม า, าตัวเองกโกรธหัวหอมําไม่ได้แล้วการบวชนั้นต้องเป่งวาจาด้วยตัวเองสามครั้งคนอื่นพูดคลอเสียงไม่ได้หรือพูดนําไม่ได้ค้านเสียงเดียวไม่ได้แล้วข้อสำคัญสุดอุปชาไม่ได้บวชให้อุปชาเป็นผู้เปียงคู่ค้าประกันให้คำรับรองคนนี้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 พูดเล่นครับไม่ไม่ไม่ได้จริงจังคืออะไรมันเปลี่ยนไปจนหน้าใจหายอะไรมันแปลปรวนไปจนกรทั้งว่าทาบันซึ่งหน้าจะบริสุทธิ์เปดทองที่สุดอย่าลืมนะครับว่าผ้าเหลืองหรือความเป็นพระเนี่ยอยู่คู่ประเทศนี้มานับพันปีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซึ่งประหลาดหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ครับกาสงธรรมนั้นอยู่มากอย่างมากที่สุดไม่เกินสามรอปีครับไม่ว่าในยุโรปหรือที่ไหน ยุคล่มจมแล้วเป็นยุคมืดยุคอะไรแต่ของพุศาสนานี่แปลกมากนะครับนับทนับอาณาจักรกล้าอาณาจักรสีชัยด้วยนะพันปีเศษครที่พุวศาสนาได้ประดิษฐานลงช่วงเวลาเนิ่นนานนี้นะครับมันหมายว่าความเป็นพุทธแทรกซึมเข้าไปใ น, ในทุกหย่อมญ้าของผืนดินแผ่นของประเทศสยามจะลมปลาณของเราจนความรู้สึกนึกคิดจินตนาการของเราเนี่ ผูก พ, พันมากกับใครคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าทั้งๆเราไม่เคยรู้เคยเห็นแต่พอเอ่ยคาพุทธเจ้านี่เราอาจจะน้ําตาไหลเร า, ารู้สึกว่ามีที่พึ่งอะไรบางสิ่งในฐานะที่เราเป็นเด็กเรารู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทักคุ้มครองอย่างน้อยที่สุด ท, ท่านต้องเป็นคนดีมากอย่างนี้พูดอไในเด็กๆท่นต้องสวยมากท่านต้องนิ่งนวลมากแต่ภาพอันนี้ครับอาจจะกลายเป็นจุดขายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ผมใช้ศัพ์อะไรก็ไม่รู้่นะ จุดขายคือสามารถที่รั้วนี้จุดอ่อนงงวลชนไทยเป็นอย่างนี้เอ่ยชื่อพระเจ้าแล้วน้ําตาไหลแต่บ้านเห็นผ้าเหลืองนั่งรวมเงินยี่องค์สันข้าวเขาร้องไห้เลยเนะี่ยคือเขาเห็นเหลืองๆ อ, อยู่คือศาสน า, ายังอยู่พระศาสนายังไม่ล่มจมเพราะว่าเครื่องแบบนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมันในพหุเวลานี้นมากศึกเสือเมืองใต้นะกว่าพุทธศาสนาติดตั้งกันในบ้านเมืองนี้ครั้งอดีตนะเราต้องศึกษาเราจึางจะทราบถึงนะครับ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 บอกว่ามีสิ่งนี้อยู่แล้วสิ่งนั้นไม่ได้กลายอยู่หัวใจมนุษย์คือแกันของจิตใจของเราเนี่ยเราพบนะครับในบางขณะในบางช่วงที่ว่าเราซึ่งเป็นบุตรชนคนธรรมดาสามัญไม่ใช่เป็นนักบวชโกนหัวไม่ได้เข้าพิธีสักศิทธิ์ไม่มีใครกราบไหว้กันหมื่นร้อยแต่มีช่วงขณะงงยามที่ศักศิทธิ์หัวใจมันเกิดกดปล่อยตัวมันเองขึ้นมาจากพันธนาการของแพ้วบริสุทธิ์ขึ้นมา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 พกนิ่งอยู่ที่ต้นประสีมหาโพธิ์แล้วต่อสู้ครั้งสุดท้ายถูกยั่วยวนทำได้ไหมฮะถูกยัวยวนจกนกระทั่งเกือบจะล้มเลิกเส mm ้นท่านนึกถึงพ่อถึงแม่มา mm hmm. พ่อหลายปีล่วงมาแล้วผลสุดท้ายยังไม่ปรากฏแล้วองค์ท่านโดดเดี่ยวถึงที่สุด mm hmm. ผมเล่าย่อ น, นะฮะความโดดเดี่ยวคือเมื่อตอนท่านออกบวงในใหม่นั้นท่านไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวครับเพราะว่าถึงแม่พ่อแม่ญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยแต่ว่าประชาชนคนยากร้ายเข้าใจ แล้วมีวัฒนธรรมเก่ารองรับคือกษัตริย์ออกบวชที่จริงในช่วงนั้นกษัตริย์หลายพระองค์ออกบวชครับพระมหาวิทยาเป็นกษัตริย์ที่วัฒนธรรมออกบวชด้วยหรือว่าเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นรุ่นก็นคงคงจะฟังขึ้นตอนที่ไปเข้าฌานไม่ต้องพูดครับมีคนรับรองมีคนเข้าใจในการกระทํา น, นั้นมีบาดฐานของวัฒนธรรมเก่ารองรับอยู่ท่านไม่เหงาไม่โดดเดี่ยว ไปพรมานตนอยู่อย่างรุนแรงสาหัสก็ยังมีภาวะอุ่นใจเพราะคนยังเกาะไว้มีวัฒนธรรมเก่ารองรับอยู่พอหันมาฉันข้าวเท่านั้นของจานอาหารเพื่อมีพื้นกำลังเท่านั้นนะครับหมดเลยห้าคนสุดท้ายก็ไม่เล่นด้วยหนึ่งในห้าเป็นผู้ประชากรเป็นคติเดียวด้วยซ้ำนี่ก็ไม่เล่นด้วยคือกนธรรัญญา เราลองเดาก็ได้นะครับถึงภาวะจิตใจของท่านโดดเดี่ยวเดียวดายถึงที่สุดไม่มีวัฒธรรมไหนรองรับอีกเลยแต่ว่าพระองค์ท่านเข้ากับไทยการกระทำของท่านดีตรงนี้สําคัญนะตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญมากที่ น, ทนํำรงฐานเออพระองค์ท่านดันด้นมาจนข้ามแม่น้ําในลันสลานะแล้วเห็นนิมิตหมายองการลอยถาดการทวนกระแส ความโดดเดี่ยวนี้เนีคยค่อยๆแปลสภาพไปเป็นความรู้แจ้งแต่แน่นอ น, นครับถ้าโดดเดี่ยวที่ไร้หลักไร้ฐานปัญญาอาจจะวิกลจริตและบ้าได้คุณรูเรานี่เป็นสัตว์สังคมนะถ้าสมตรเขาวใดข้าวหนึ่งเราเห็นครึ่งตัวใดตัวหนึ่งคลาทต้มเตียมอยู่เราควรจะรู้ว่าเขาเกี่ยนจะตายแล้วครับเพราะตัวเขาจริงคือคือทั้งฝูงนั่นคื อ, อคบอดี้เองเนาส่วนตัวเล็กๆที่คล้นเตียมนั้นเป็นเพียงอวัยวะ คุรูเราถูกจับตัวแยกไปอยู่โดดเดี่ยวสักช่วงหนึ่งเนี่ยสมองอาจจะสู้แล้ววิกลวิการดังนั้นพวกผู้นำซึ่เดียวโดดตัวเองเงินไปเนึ่ยมักจะพิกลวิการไม่เห็นก่อนอันนี้ครับพภาษาจินว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ไม่เพียงหนาวคนระับบ้าง่ายครับน่าแปลกประหลาดมากครับที่ประชากรมากขึ้นทุกวันนี้ว่าว่าอีกสักสิบปีน้าหกพันล้านประชากรโลกนะแต่โลกร้ายที่คุกคามผู้คนอยู่คือความเหนา อะไรกันคนถึงหกพันล้านคุณไม่มีเพื่อนสักคนเดียวเลยเลหรอคาถามนี้ประหลาดจรินดีนะแต่คือเรื่องจริงครับบางทีเที่ยงวันกลางวันึกแสงเดินโดดเดี่ยวนั่นันไม่มีเพื่อนสักคนเดียวไม่มีใครเข้าใจเราเราก็ไม่เข้าใจใครด้วยนะฮะสังคมกาลังก้บบาวขึ้นสู่ยุคของความรุนแรงภายในนะดังนั้นผลสะท้อ น, นคือความเจ็บป่วยในะอารมณ์ครับความเหงาเปงนส่ประหลาดมาก เราม่กินอหารคนที่อยู่ในเทะเลทรายขาดการติดต่อที่จริงไม่ครับผมเคยอยู่ถ้ำสองปีไม่เห็นรู้สึกเหงาอะไรสนุกอบแต่ความเหงาจริงๆที่อันตรายมากคืออยู่ในเมืองเนี่ยครับทำกลางความสัมพันธ์ที่หลากหลายแต่ว่าพูดก็ไม่รู้เรื่องครับคนเดียวก็ไม่มีหันไปพูดก็ลูกไม่รู้เรื่องมันไปอีกทางหนึ่งอะไรที่เราสอนดูด่ามว่มันเอาย้อนหัวหออกมาหาเราทั้งสิ้นโอ้นี่เป็นอาการที่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 แต่เห็นเงื่อนไขว่าน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันแล้วจิตแพทย์ก็คือคนธรรมดาที่ยังไม่ฝึกสติสติยังไม่ตั้งบนฐานของกายเวทนาจิตและธรรมนะคือคนธรรมดาที่จิตใจหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่แวดล้อมไปเจอคนป่วยซึ่งเขามีพลังอำนาจเหมือนเราเจอคนบ้านะครับเราก็ลังเจอเอาอะไรบางสิ่งซึ่งไร้ระเบียบเรามีแรงมีกาลังหรือเหมือนกับว่า วงดตรีสองวงนะวงหนึ่งเล่นแข็งว่าวงหนึ่งเล่นอ่อนเล่นคู่หรืพักเดียวเดี๋ยวเข้าไปตามวงนอนนะจังหวะลีลานะดัง น, นั้นจิตแพทย์ที่ยังไม่ฝึกจิตไม่มีคําว่าไม่มีความสันโดษไม่มีความรู้ตัวที่เข้มข้นพอแล้วเราเป็นไปได้ครับที่จะพลอยจะป่วยไปเพราะว่าคบหาคนเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นผมไม่รับรองคําพูดที่ตัวเองพูดนะแต่ว่าให้ข้อสังเกตซึ่งจิตแพทย์เองบอกว่าส่วนใหญ่ส่วนมาก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 เช่นเดียวคนบ้านป่าคนเถื่อนที่ที่เราเรียกวคนเถื่อนนะเห็นรถยนต์ครั้งแรกตกใจและกลัวพอมีใครสอนให้ขับห้ามเลยทีนี้ห้ามๆบึง้งไัยเลยเพราะว่าด้วยความกลัวนี่เองนำใ ห, ให้ทำผิดอยู่ทุกสถานไปเราไม่ควรกลัวภูมิปัญญาของนอกพุทธศาสนาโดยเหตุ น, นี้พี่เจ้าจาึงแนะว่าให้ศึกษาทั้งสองด้านกระชัอ พระทิธิสกัดทิธิสมบอกเธอท่านสอนพระนะเธอพึงศึกษาทิธิของผู้อื่นคือทัศนะของผู้อื่นและศึกษาสากัดพิธิที่เรามีอยู่และอย่าดวนรับอย่าบวนปฏิเสธไม่รับไม่ปฏิเสธแต่เมื่อต้องแสดงภูมิให้แสดงภูมิวัญญาวไปไม่ค้านว่าเขาผิดเมื่อทําอย่างนี้นะครับไอ้รากฐานที่มีอยแล้วโตใหญ่ขึ้นและเป็นประโยชน์ด้านมนุษย ธ, ธรรม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 ก็อันต ร, รายก็เกิดขึ้นเรามี hoje, สิทธิ์ใช้ปัญญาวันหนึ unity, to ่งพระเจ้าท <hein> ่านทรงตรัสสอนเรื่องคุณของอิศิหานะฮะสติวิยญาติสมาธิปัญญาว่ามีคุณอัปเชิดเมื่อได้สับสวนแล้วบุคคลจะกัดสรู้พูดง่ายๆล้ำลึกนะฮะแล้วท่านหันมาถามพระสารีบุตรว่าเธอเชื่อหรือเปล่าพระสารีบุตรปฏิเสธครัไม่เชื่อแล้วก็แสดงภูมิปัญญาว่าจะเชื่อต่อเมื่อประสบด้วยตัวเองเท่านั้น ดูพระอักษ า, ษาวกกันนะฮะซึ่งพระเจ้าประธานสาธุการครับสาธุไม่ไม่ใช่ร้องสาธุาพร้อมๆกันนะท่านประธานสาธุว่าดีแล้วท่านไม่ได้พูดคําสาธุนะแต่คํำนี้มันแปลว่าเข้ารูปแล้วละ่ะใช้ได้ถูกมีสาระแล้วมีคำรับรองจากพระผู้รู้นะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมากครับว่าชาวพุทธต้องเดินสายปัญญามีความเชื่อมั่นทางปัญญารื่นรมเมื่อได้ยินเรื่องราวภูมิปัญญา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 ซึ่งเป็นการสร้างคติให้เราเห็นความสำคัญของชมพูทวีปแล้ชมพูทวีปนั้นหมายถึงไม่ได้หมายถึงประเทศอินเดียในปัจจุบันนะคัคำว่าทวีปหรือทวีปหรือทีปะนี่นะครับเขานิยามว่าแค่มีน้ำล้อมรอบสามด้านก็เป็นทวีปแล้วนะแล้วก็ทั้งอดีตคำว่าชมพูทวีปหมายถึงโลกครับตรงนี้ที่มันยุ่งกันใช่หรับ ว่านี่เป็นถ้อยคำเป็นนิยามมาในรูปของลิเทเลชั่วรรณกรรมทีความรู้เก่าเราบอกว่าเหนือชมพูทวีปมอีอุตรกุรุทวีปทุ่งกุรุเป็นทุ่งราบบางคนบอกเป็นรัสเซียฝ่ายนน <c oughs> ครับกือเราพยายามดึงเรื่องที่โครงสร้างมันเป็นเรื่องจินตนาการ <c oughs> เพื่อให้สำเร็จประโยชน์บางอย่างเหมือนคำว่าสวรรค์ถาบันสวรรค์นรกเนี่ยแต่ใครยังเชื่อจนตราบเท่าวันนี้ว่าเป็นเรื่องจริงว่า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 ถ้าเราเชื่อมีพระอยู่ในทุกประตูเนี่ยเราระวังตัวครับหรือแม้แต่เราพุทุธก็ตั้งบนยิ่งไว้ท้ง น, งนี้ทางนี้นะเวลาทำชั่วทำบาปมันก็ลำบากลาบากขึ้นครับหรือรูปปิดามันดาของเราเราติดไว้คืนไหนเมาหนักมานอนหันเท้าไปหาท่านตื่นเช้ารู้สึกไม่ค่อยสบายอารมณ์เท่าไหร่นี่เป็นเป็นวิธีการครับ เ, เรียกว่าเป็นเมธอดวิธีกรรมวิธีที่จะหมุนความรู้สึกเนี่ยไปสู่ สิ่งที่ที่หนักแน่นและดีขึ้นนะที่ว่า mm hmm. พระเจ้าทุกพรองค์เกิดโหมวุสนั้นผมก็เคยอ่านผ่านนะครับแต่ผมผมผ่านเลยผ่านเลยว่าผ่านเลยไปสูความหมายของคําว่าชมูที่คือโลกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องลงมาจดัตว์รู้ในโลกมนุษย์ครับ mm hmm. ชมูทุสุริยคือโลกมนุษย์เพราะถ้าท่านจดสัตรู้ในดุสิตโลกดุสิตนะฮะโลกที่สงบยิ่งนะครับ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 ต้องจุดตีมาเป็นมนุษย์ก่อนแต่ว่าเทวดาส่วนใหญ่ต้องลงนรกก่อนแล้วจึงขึ้นมาสู่โลกมนุษย์โลกมนุษย์วิสัยแห่งมนุษย์นี่เป็นวิสัยที่กลางๆครับซึ่งอาจจะเข้าใจซึ้งในอริยสัจสี่ได้เทวโลกโลกนั้นแสนสุขไม่สามารถเข้าใจอริยสัจสี่ได้เพราะทุกอย่างมันสุกกลบก็ด้วยความสุขสำราญนง่ายงในสังคมธรรมดานี้เราก็เห็นนะคนบังมีที่สุขนั้นพวกนี้ไม่รู้จักทุกคือไม่มีเวลาที่ให้ทุกมันสุขสำรานตลอดเวลา รู้ธรรมะยากครับส่วนสับนรกนั้นรู้แต่ทุกต่อเนื่องตจนกระทั้งยากที่เข้าใจที่สุดทุกไม่ค่อยมีรประสบการณ์โดยธรรมชาติที่จะเห็นที่สุดทุกในตัวมันเองเนี่ยฮะที่นี้โลกมนุษย์เป็นโลกกลางๆครับมนุษย์เปโลกนะและความเป็นมนุษย์เนี่ยมันพอเพียงที่จะเข้าใจอริยสัจทุกเหตุของมันแล้วก็ที่สุดทางให้ถึงที่สุดซึ่งอยู่ในตัวเองนะพระเจ้าบอกว่าท่านมันอยากเรื่องเรียบสีอิสตสีนี้ ให้เป็นยานเดียวครับแต่นักวิชาการอาจจะปรับแปลงซึ่งท่านห้ามนะสงกระท้ามไม่ให้สลับหัวข้อกันเพราะอาริสัตย์สีไม่ใช่ศาสตร์แต่เป็นตัวประสบการณ์ในการภาวนาคือต้องรู้จักทุกก่อนและทุกท่านกนําหนดกิจว่าไม่ต้องทำอะไรกับทุกไม่ต้องมุ่งกระจัดความทุกู้ใช้เฉยเท่านั้นเองให้รู้จักเท่านั้นเองนะฮะรู้จักทีนี้ถ้าสมมุติในแง่ของระบบคิดทางวิชาการเหตุต้องมาก่อนผล แต่งทุกข์น่าจะมาก่อนแล้วก็ทุกข์แล้วก็มรรคน่าจะมาก่อนนิโรธโดยวิธีคิดเชิงเหตุเหตุไปสุ่ผลพระเจ้าปรามมาเลยนะท่านอย่างรู้ว่าต้องมีนักเลงดีเข้าใจผิดนแน่ๆนะเข้าใจมันง่ายวิชาการพระปลามว่าห้ามสลับหัวข้อผมจําที่มาไม่ได้แต่ยังจาได้ว่ามีที่มทีท่านกล่าวจัดาการเจริญภาวนานะครับธรรมะทั้งหมดเพียงเพื่อนําเราก็สู่ เผชิญหน้ากับความทุกข์ด้วยจิตใจซึ่งสัตซื่อครับจิตใจสัตซื่อได้แต่เมื่อสติเข้าไปมีบทบาทความสัตซื่อนั้นก็จ ะ, ะเผชิญหน้ากับทุกข์แล้วประจับแจ้งทุกข์แล้วประจับที่สุดทุกข์ด้วยโตของมันเองด้วยด้วยธรรมชาติของมันเองทางเดือนนี้ไม่ใช่ทางอัติบิษณ์ครับไม่ใช่ทางที่เราสร้างมันเองได้ตอนนั้นเป็นเหตุให้พระเจ้าท่า น, ย, น, ย, นยืนยันนะครับไม่ว่าในอนาคตคดีแน่ดีก็ดี พระพุทธเจ้าทุกองตัดทะลุอริสั์ฉนั้นจุมพูทวีน่าจะเชื่อมโยงความสลักสำคัญของอริสักสี่จะมีอีกแห่งครับที่อยาแหล่งจากทิเบตรพระเจ้าถือํำเนิดในขุมนรกได้ทุกขุมฟังดูก็ลุ่มลึกกัเหมือนกันครับในโลกสัตว์เนระฉานโลกของเกรดวิสัยนะฮะ ลงสันนลกมีผู้เจ้าปรากฏประกยขึ้นเพื่อโปรดสั์ฟังดูก็ลุ่มลึกครับแต่ว่าต้องไปไปศึกษาให้เป็นระบบจึงจะเข้าใจความได้สิ่งอันนี้ไม่ใช่วัตถุที่ตั้งความเชื่อครับเราจะเก็บมาเชื่อเชื่อนี่นไม่ไดม้มีอะไรมั้ไหมครับคือเวลาได้ยินคำสอนเกี่ยวกับการภาวนามักจะได้ยินว่าให้ให้ฝึกการมีส ต, ติรู้เฉยเฉยโดยไม่ต้องคิด ใช่ไหมครับไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทราบตรงนี้ถูกหรือเปล่านะฮะแต่อมีคนคิดอย่างนี้มากแต่ผมคิดว่าผิดครับกรับคือคื อ, คอประเด็นที่ผมอยากจะถามอาจารย์คือคาว่าปัญญาที่ที่ที่เราควรจะใช้เนี่ยหมายถึงว่าสมมุติเวลาเราเกิดความฉุนเฉียวขึ้นมาเราให้เรารู้เท่าทันความฉุนเฉียวนนั้นแล้วก็วางเอ่อไม่ไม่ไมปนสนใจมันอีกหรือหรือว่าหมายถึงว่าให้เรา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 แต่ละคนก็มีวิธีที่จะจัดการหรือเกี่ยวข้องตามระดับของสติปัญญาเนีฮะก็โยงไปถึงประสบการณ์ผมบ้างนะครับบางคดีเนี่ยผมฟังครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งไม่ใช่ท่านอาจารย์สวยเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นคนนี้ท่านสอนซึ่งจริงท่านสอนดีมากนะผมไม่ไม่ต้องการจะระบุชื่อเนะี่ยแต่ผมเองฟังพลาดจับพลาดไป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 ตรงนี้ทำผมเอตใจมากเอ๊ะมันอะไรกันเนี่ยเราก็คิดว่าเราทําดีแล้วนะเรื่องของเรื่องมันเพิ่งมาแจมแจ้งกับผมช่วงหลังครับว่าไม่ต้องยุ่งกับราคาเลยเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็อย่าไปสนใจมันยิ่งดีที่สุดแต่ต้องสนใจอีกตัวหนึ่งคือสภาวะก่อนหน้าที่ราคาจะเกิดให้คุณยิ่งกับสภาพที่ไม่มีราคาไม่มีโทรศัพ์ไม่มีโมหนะเนี่ฮะคือธรรมชาติแท่งเรามีอยู่จิตประภัสสรมีอยู่ไม่ได้ไม่มีครับ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 ดังนั้นทําให้คุ้นเคยกับสภาพก่อนหน้ากิเลสเหมือนการเล่นกับอีดนตรีนะครับถ้าคนหนึ่ง น, นั่งแล้วคนหนึ่ง น, นั่งไม่ได้นะถ้าผมแนบแน่นอยู่กับสภาพไร้กิเลสพอกิเลสขึ้นมากับความคิดนะฮะราคาเกิดลอยลอยไม่ได้ครับเมื่อเราพูดว่าราคาอมานวา่ความคิดอิงราคะถูกไหมฮะโทสะก็เหมือนกันครับแต่ถ้าอารมณ์ปะทะล้วนๆนี่มันตั้งอยู่ไม่ได้ครับถ้าเรารู้ตัวอยู่บนพื้นฐาน